ก่อนไปโบสม์วิธีนะรน้าอยเจ็ดสิบสี่ใช่ั้ยข้อที่สามสิบสามต้องการบัพพาจิตตีในครองการฉันโภชนะที่ได้มาภายหลังก <c oughs> องพัดที่ได้รับนิมนโดยออกชื่ออาหารไว้เที่ยวเว้นแต่มีสมัยที่สมควร คำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือคราวที่อ า, า้าคราวที่ถวายทีวรคราที่ทำทีมอนนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นครับที้ก็ยังเกี่ยวกับการนิมนต์เรานิมนต์ออกชื่อพอชนะนะยองเขานิมนต์ออกชื่อพอชนะพารลามนิมนต์แล้วใช่มหมครับจะเป็นแขนของเจ้าอื่นก็ไม่ได้ ต้องฉันของเจ้านั่นแหละก็ค่อยมีหมดออกชื่อโปชนะเลยนะแม้แต่ว่าเป็หารมิยาบาร์ของเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับต้องฉันพระเ จ, จ้าแลก่อนเนี่ยนะที่ถ้าไม่ฉันของเจ้านั้นก่อนไปฉันของเจ้าอื่นก่อนหรือว่าอาหารมิยาบารนี่นะครับก็จะต้องแบบไปกินสิคามกว่านี้ยกเว้นแต่มีสมัยนะก็คือฟาทิโปลใช่ไหมท้องอักพันนะครับอันนี้ยากนะครับปวดที่เอาเข้าแหลม ไมืไม่เหมือนข้อแปดเมื่อกี่เดินผ่านกิโลแล้วนะ <8. S 2> ครับข้อปวยในที่นี้เองนะใช่ท้าแปดนั่นใช่หมครบับน่าจะเหมือนกันนะมันจะมีข้อหนึ่งที่ว่าไม่เหมือนกนอ๋อไม่เหมือนกันปวดก็คือไม่สามารถจะเป็นผู้นั่งบนาชนะนอันเดียวฉันจะอิ่มได้ น, นะครับไม่สามารถจะนั่ง น, นานๆฉันจะอิ่มได้อย่างงี้นะป่วยในข้อนี้นะครับ นี้ได้ น, นะแล้วก็ข้าวถวายจีวรความทำจีวรแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมครับเหมือกันนะนี้ไม่ต่อดูข้ามข้ามค้อไว้ว่ไม่ทางไม่ทางแล้วต่อเหนื่อยเลยที่ทามาดูทำมาดูาดเป็นยังไงมันก็มีวิธีที่จะไม่ต้ออันบั๋นนะคืงว่าเราเกิดแล้วมีมวลภรรยาแล้วก็มันจะต้องฉนันที่หนึ่งใช่ไหมครับ ขอเจ้าแรกยังไม่ได้ฉันในยทำไม่ด ta ีท่าก็มีหมอกว่าพิกให้พิกลับมาหาไม่ได้นะครับเราก็พ uh ิกลมาหาคือกินนิมมบทขอเจ้าแรกใช่ไหมที่เขาได้หมอชื่อโภชนะเราก็นิมบทวิกับมาหาให้พิสูจนอื่นไปนิมบทคือยกมาวิกับคือยกให้ไปนะครับนี่นะจะมีคํำวิกับว่าข้าพเจ้าให้พระตาหานที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้มีชื่อนี้ วิกับต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้หายได้เหมือนกันจะแต่วิกับจีวรใช่ไหม <c oughs> อันนี้วิกับผ้าตาหายก็ยังเหมือนกันนะครับ <c oughs> ถ้าได้วิกัลแล้วก็มันจะได้แล้วก็ฉันได้เหมือนกันนี่นะครับถ้าไม่วิกับเนะี่ยหรือไม่ใช่สมัยนี้ไม่ได้ก็จะ ต, ต้องอไปจีนสึกษาบนนี้นะครับ <c oughs> ที่เ้มาดูต้องมาจากในสึกษาบนนี้นะว่าเป็นยังไงฉันเรียก <c oughs> ว่าปราโรชนาะฉนโพชนาขหลังนะ ต่อไปเขาดูต้นไมันอย่างนะต้นใหย่ของสิกยขาตัว น, นี้ก็เรื่องของวุฒิเข็งใจคนหนึ่งครับโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้ากูฏานาสาราป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นประชาชนได้จัดตั้งลำดับพระตาหารปณีชไว้เขาก็ถวายอาหาปณีชเป็นลำดับไปนะครับมีจัดตั้งลำดับเขาเนี่ย ในพระนครเวสาดีพานุกรรมกรเข็นใจคนหนึ่งดำริว่าทาง น, นี้จะไม่เป็นกุศลเล็กน้อยต้องการให้เหตดทําหน้าเขาบ้างนเพราะประชาชนพวกนี้ทําปัตตาหานโดยขารบผู้ชนะเราควทรทําปัตตาหานบ้านดังนั้นเขาจึงเข้าไปหานายกิรปติกะคือใครก็เป็นนายจ้างเขาเขาจะเป็นกรมกรมกรเข็นใจไม่รู้จ้างนะก็เล้เข้าไปหานายจ้างเขา บอกความจำนงว่าคุณครับประพรมปรัทนะจะทำปตาาัตถานทวารวิสุดธิสมุนพระเจ้าเป็นประมุขขอขึ่นตอบให้ข้าจ้างแกกระผมแม่นายกิระปฏิกันนั้นก็เป็นคนมีศรัทธาเรื่องสา ย, ยนะ น, าสานะครับโอ้แกก็เลยโชคดีนะได้นายจ้างที่มีศรัทธานะครับเขาจึงได้ให้ค้าจ้างแก่กรรมกรเข็นจันทเกินปกตินะี่ะเพื่อมาทําบุญเลยใช่ไหให้เกินปกติเลย ฝ่ายกรรมกรเขียนใจนั้นได้เข้าไปข้อบพุทธภาคเจ้าหัวบงคมแล้วนั่งอีิควรส่วนข้างหนึ่ครั้งแล้วได้กลาวถูกรัตนาว่าขอพระองค์พร้อมด้วยวิสุโสรงพระกรุณาโปรดรัตระตหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อชรบมญคุณสนและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพุทธาคเจ้าสัว่าวิสุโส ม, หมใหญ่นะเธอจงทราบนะ เธอจงสาหาพุทโธต่างนี้นะครับกรรมกรเขียนใจน่ากล่าวพูดว่าพิจุสองมู่ใหญ่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพ่านเจ้าข้าผลพุษาของข้าพุทธเจ้าจัดเตรียมไว้มากอาหารที่เป็นเครื่องดื่มเจอด้วยผลพุษาจับบริบูมณเนี่ยมีเรื่องผลพุษาเป็นเหตุ น, นะครับเนี่ยนะืู่ท่างหลายนี้ได้ข่าวเลยนะครับว่านิพุสก็จะมาถวายมีพุษายะแย่เลยมีแต่พุษา พิมพาเจ้าก็ทรงเล่ามิมุลโดยดุสเนียภาพโดยการผู้หนิงนะเมือ่อขรรคองค์ทรงเล่ามิมุลแล้วก็ลุกจากที่นั่งหัวบุงคมแล้วก็ทำไปทั้งสินหลิกไปนี่ครับพิจูตองหมายทราบข่าวว่ากรรมกรเข็นใจว่ามานะิมุลพิสูตสนพุทเจ้าประมุขด้วยเชในวันพรุ่งนี้อาหารที่เป็นเครื่องดื่มจิ้วด้วยผลพุทราจักบริบูรณ์นะครับรู้ไว้ในวันพุทรานี่ยเยอะแน่นะพรุ่งนี้นะ ทำยังไงล่ะเขาอะไรงสัยไม่ค่อยอยากจะใส่พุทราเท่าไหร่นะครับผมก็ก็่อยนนินนะถ้าพุทราหวานก็ดีหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าพุทราเปรี่ย อ, อะไรอย่านี้นะโอ้ระมาัดหมือนกันนะครับนี่แหละเธอจึงเทียมบินิดบาตชันเสียแต่ชาพิสุเหล่านั้นนะก็เลยเทียมบินเบาตชันก่อนเลยนครับเนี่ยก่อนที่ยะมาเจอพุทราเนี่ยนะชาวบ้านทรางข่าวว่ากรมกรเข็นใจผู้หนึง ได้นำไปสู่สมุปตะ้าเป็นประมุกจึงนำของเคีย้ยวของฉันเป็นอาวุธไปช่วยกรรมกรเข็นใจนั้นเนี่ยมีคนมาช่วยอาหารมาสมทบด้วยใช่ไหมรับช่วยอาหาของแกมไม่ได้มีผู้ชาอย่างเดียวนะมีเยอะแยะเลยเ้าหมายอย่างเลยชึ่งกรรมกรเข็นใจผู้นั้นสั่งให้ตกแต่งขาชนียาโพชนียาขาอันปรนีดูร่วงรานรีนั้นแล้วให้ไปการาบพรมพระต ก, การแห่งมุาขภาคเจ้าว่า ได้เวลาแล้วพระคุทธเจ้าฆ่าพระตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้าคุทธมภาพเจ้าทรงอินตรรวาสทรงแลงทรงบาจีวรเสด็จไปยังที่อยู่ของกรมกรเข็นใจผู้นั้นประทับนั่งเหนือพุทธอ่านที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยพิสุสงจึงกรมกรเข็นใจผู้นั้นเองค่าผู้ทั้งหลายในรงพระตาหารอยอดีใจมากแนละเป็นคนเข็นใจไม่ก็ได้ทําบุญเฉพาะ กับพิสูจนสมุดได้จาประโมกไม่ไม่ธรรมดานะครับที่สุดทั้งหลายพานไก่อย่างนี้ว่าอาวุโสจงถวายแต่น้อยเถิดจงถวายแต่น้อยเถิดนะครับโอ้ยขอรับแต่น้อยนะกรรมกรกล่าวดีมาพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดอยเข้าใจว่าประผมนี้เป็นกรรมกรเข็นใจและรับแต่น้อยๆเลยเจ้ า, าค่าของเคี้ยของฉันกระผมได้จัดหาไว้มากมายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดร้องด้วย เรียกร้องตามประสง์เถิดเจ้าข้าซื่หลายต่อว่าพวกฉันขอรับแต่น้อยๆมิใช่พระเห็นเลยไม่ได้คิดว่าท่านเปคนเข็นใจใช่ไหมไม่มีอาหารจะเรียงอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นรอกเอ่อเพราะพว้ฉันเทียบบินดบาบฉันมาแต่ช้าและต่างหาฉะ น, นั้นพวกฉันจึงขอรับแต่ไ้น้อยอโอ้พอกรรมกรเข็นใจความางนี้นะครับแกนี่เสียใจรับไม่ได้เลยนะ อุตส่าห์ตรียมอาหารไา้เยอะๆมากมาขับวาไอ้านะครับผ้านี่กับบินเบาไมาฉันก่อนใช่ไหมแล้วก็มารับอถ่ายของแกแต่ได้นอนเนีข อ, อโทษเสียใจเยยนี้ยลาดับนั้นอแรกรรมกรเข็นใจผู้นั้นจึงแท่งเข้าติดเตรมปุถนาว่าฉช้พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายอันข้าพเจ้ า, านาาี่หมดไปแล้วจึงได้ฉันเสียนในที่อื่นเล่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะถวายให้เพียงพอแก่ความต้องการหรือ บิดาพิส <S ie> <Yes. S 1> ุเนือว่าพิสุหลาดินเขาเพ่งเท่อยเตรียมพุทธนาบิดาที่คูมั่งลอยสันเดษแตก็เพ่ง่อยเตรียมพุทธนาว่าฉชนไหนอจะเตริยมพุทธนาว่าทงหลายรับนิมนต์ไว้อย่างที่แห่งหนึ่งแล้วฉชนไหนจึงได้ฉันนที่อีกแห่งหนึ่งเล่าและกล่าวคุณนุ่นล่งนุ่าคเจ้าพระองค์ทรงสอบถามสรงเตรยมพิสุเหล่านั้นแล้วก็มีอธิษฐาบวันี้ขึ้นมา ถ้ามใหญ่ครั้งแรกมีแค่นี้นะว่าเป็นไปดีพอปัจจุบันทีหลังก็มีอนุโมหญ่ขึ้นมานะครับต้นสมัยนั้นแล้วพิสุรุ่งอาภาสพิสุรุ่ง ร, รูปหนึ่งนำมีดบาบเข้าไปถวายพิสุอาภาสานั้นและได้กล่าวว่าอาวุโสนิมนต์ฉันเธอพิสุอาภาส ป, ปฏิเสธว่าไม่ต้องอาวุโสความหวังจะได้พระตาถาคของผมมีอยู่ก็คื อ, บบค อ, อคถ้านรานรมิมนต์ที่เขาเอกชิบพันท์แล้วท่านเคยไม่ยอมฉันทารมีบาบที่เรามาถวายนะ ทีนี้พอเวลาสายทายุ่งมิเดาบามาถวายพ่สุทธ า, ารคานั้นเธอฉันไม่ได้ตามที่ท่านหมายครับเพราะว่าอะไรพวกป่วยนะตอนแรกจะฉันได้โตมาตอนนี้เข้ามิเดาบามาถวายทางสายฉันไม่ก็ได้นะครับเรื่องไรจิงกรรมเนื้อความลูาากพกราเจ้าผู้โลกในสมบัญญาณวัคคาเป็นไข้นะครับฉันปรำปรัชนาได้ น, ะนี้รัชนาเป็นหลังหน้าโตมา สมัยหละเป็นใครถวายจีวรประชาชนทานกันตกแต่งข้าวตระหามพร้อมด้วยีวรเหมือนเดิมนะข้าวตียร์อาหารไว้พร้อมด้วยจีวรด้วยตั้งใจบ้านนะครับจีนิมวันพิสุให้ฉันแล้วก็จะถวายจีวรนะยิ้มเมื่อหลายเราเขียนไ ม, ม่รำนิมวัด้วยอาวาาอ่าพระเจ้าสงแพรใช่ไหมการใช้โคนีหลังแล้วนะครับเมื่อไปฉันของเขาก็มาบอกจีวรีวรก็เลยเกิดแต่เล็กน้อยนะครับผูวงก็เลยส่งอนุญาตนะ ในคาว์ทถวายจีวรนะครับในคาว์ทำจีวรก็เหมือนกันข้เติมอาหานไว้ถวายพระและก็นิมนนะครับเพื่อพิสุจะได้ทำจีวรได้สะ ด, ดวกไม่ต้องเสียเวลาบิดาบัตนใะครับซึ่งหลายก็รังเกียจไม่รับนิมนต์ด้วยแอาา้ว่าโคชนาทีหลังพม่ได้ข่าท่าทอ ง, ทงแล้วนะเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อสองนีให้ในคาทําจีวรนะอันนี้ก็ฉันโคชนาทีหลังได้ ต่อไปนะคก็มีเรื่องวิกับพระตาคตที่หวังว่าจะได้ครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าเมาื่อพระเจ้าสรงอุทราวาส่งแลทรงบาจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเจรเข้าสู่ตระกูลแห่งหนึ่งรั้งแลประทถมนั่งเหลือพุทธอาศที่เขาปูราาถวายจึงชาวบ้านเหล่านั้นถวายโภชนาหารแด่พุทาเจ้าและท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ลังเกียรไม่รับประเคษ เพราะว่าท่านเราได้หมดอดชื่อพันไปแล้วนะท่านก็ไมย่ยอบประกันอีกนะครับเมื่อพเจ้ารับสังว่ารับเถิดอาโนนพระองค์กล่าวเพื่อว่าไม่ควรพระพธเจ้าฆ้าเพราะความหวัจะได้พระตถาคของข้าพุทธเจ้ามีอยู่เมื่อพระเจ้ารับสังว่าอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงวิ่กลับและรับเถิดนะครับเนี่ยพระองค์ก็สองมือหยาดนะเอาสาั่งกับพิสทธิทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุททั้งหลาย เราอนุญาตให้กิกลพัตถารที่หวังว่าจะได้แล้วชนะชนะที่หลังได้ด้วยก่อนพิสุทธ้างหลังร้ายก็แหละพิสุทธิ์เพร่อวิอย่างนี้ข้าพเจ้าให้พัตถารที่หวังว่าจะได้ของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้มีชื่อนี้ครัพอวิกลได้แล้วก็ชนะชนะนั้นได้ก็ชนะชนะกินมมนิมอนให้แก่พ้าลูกอื่นไปนะครับต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้นะแล้ก็ฉนชนะชนะชนะทีหลังได้ไนี่เท่นี่ ต่มาก็ดูคธรที่บาในตัทาในกัวแทนนั่ น, น, น, น, น, น9 90. 9 90. ร้อยกาสนั่นร้อยกาสิบเก็ดข้อีสาอธิบายปรัมปราโคเชนะสสิข า, าบุตรผู้ทรา้นิชัยสิาบุตรีสารต่อไป ความว่าปรำประโพชเนความว่าพิสูท์ถูกทายกนิ ม, มนต์ด้วยโภชนะห้าอย่างโดยในดังกล่าวแล้วในคณะโพชนะนั่นเองนะครับออกชือผานหรือโพชนะหรือโภชนะข้อย่าดอย่างหนึ่งที่ว่าันแล้วกรับฉันโพชนะที่ทายกนิมนต์ทีหลงังนี่ไงไม่เฉลิมพระเจ้าแรกก่อนใช <OK. S 1> ่ไหมมาเฉลิมพระเจ้าหลังกันแล้ี่ลําดับจากการฉันโพชนะที่ทายกนิมนต์ก่อน หรือไม่ได้ยกนิมนต์ครับไม่ได้ยกกี่นิมนต์นะส่วนของต้นให้แจกพิสุรูปอื่นถ้ายกให้เลยก็มีปัญหาใช่ไหมที่ว่าพิการไม่ได้ ก, กินนะครับคือยกกี่นิมนต์ให้พิสุรูปอื่นอันนี้มันได้ยกให้นะเพราะฉะนั้นพิสุใดไม่ยกกี่นิมนต์ครั้งแรกให้แก่สั ง, งมมิถุทั้งห้าเนี่ยก็ยกให้แจกสมมเณรก็ได้นะครับคนใดคนหนึ่งต่อหน้าอย่างนี้ว่า ขอให้พัฒนาที่หวังว่าจะได้ผมผมแก่ท่านยกมไปเลยต่อหน้เลยนะหรือหรือว่าผมไม่กลับแก่ท่านนะครับใช้คาว่าให้ก็ได้ใช้ว่าว่กลับก็ได้ที่ลอบหลังนมครับวิกลลอบหลังก็ได้นะอย่างนี้ว่าผมให้เก็บวิสุรูปนี้ก็บอกไปนะชื่ออะไรยะเพระาะ่าไปหรือผมไม่กลเก็บวิสุรูปนี้นะครับเนี่ยเข า, ามิกลัลอบหลังก็ใช้ได้เหมือนกันนะ เกินกินแม้เพียงเม็เดียวจากอาหารที่ตนได้แต่กูซึ่งทายมีมูลที่หลั ง, น, น, งนี่นะเขาที่หมอชิพพาตัวเองก็มารายาทกิ น, น ม, มูลให้พิสุทธิ์ตัวอืนใ่ไเกินกิ น, นแม้เม็ดดีหน่นะครับที่ทายกีมูลที่หลังนยะต้องบันปานจิตดีนะคขขคือควาคเกนนะเหมือนกันนะครับต้อบัไปที่ตทุก ข, ข์นตอนรับโอเคเนี่นวยวตั้ ง, จงใจไม่เใก็เป็นบีนทุกกก่อน พอฉันก็ต้องบไปยุทุมกันเหมือนกันสมัยที่ฉันได้มีในดังกาวแล้วนั่นแหละสมัยที่ก็ไม่อธิบายแล้วก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะไม่ยากครันจะเสริมเพื่ําองหลังนะเหตุเกิดและประเภทอาบัติคามบทนี้เพื่อพระเจ้าทรงเปาปิสุร้ายรูปนึงภัยสาดีบรรยัติไว้แล้วก็เห็นคือการฉันชนะในที่อื่นจากที่ทายุนิมนต์ไว้อีกทีแรก สี่ขาัวนี้มี อ, อนุบัญญัิสาคือเว้นไม่แต่าอาอัมาตเป็นต้นใช่ไหมนหออาาไหนเนดะียวคำอัทพานอะไรนะครับถาวายจีวา่าการทาจีวอนครับแต่ในคำปีบริวารที่อัมาพาตเจ้าทรงรวมอาการวิกาเข้าร่วจึงแต่ว่ามี อ, อนุบัน ญ, ญัสี่ถ้ารวมกับอาการวิกาลนะเนี่ยก็มีอนุมาญญัสี่นะครับ คุณครับนนี้เป็นอาสาธนาบัญญัติที่สุนีไม่มีนะครับแต่พิจิตเท่านั้นนะอันนั้นติกะรมไม่เกี่ยวกัรใช้นะเข้าชั้นเองก็ต้องเองนะเป็นติกรรมปาจิตตีก็คือเป็นปรำปร้าโคชนะโคชนะที่หลังเนียเข้าใจสงสัยสำคัญติดต้อนมาทั้นั้นนะครับไม่ใช่ปรำปราโควชนะแต่สําคัญว่าเป็นปรมปราโควชนะตัวดีนะครับหรือมีความสงสัยก็ดีนะอันนี้ก็ต้องอาบัตทุกกลนะครับ ต้องบัทุกกลุนะครับแอบอ่านบัตรที่สูงไม่ต้องแอาง่านเมื่อมีความสําคัญว่าในอาหารหรือยาสิบานนี้จะลืมนะแล้วเราจะเปุ้ยยังไงครับถ้าโยอมนี่มลชื่อพันเนี่ยนี่มลชื่อขออะไรนะนี่มลไปฉันตั้งฐานแทนที่บ้านโย่ใช่ไหมเวลาเสร็จมลยุงจะมารับะข้อชื่อพันยี่หรอครับ เรก็รับไปแล้วจะแก้นยนี้งตอนเช้าเราก็มีนาบใช้ไม่นานนี่นะก <c oughs> ็จะบอกพี่กลับไปเลยยกกินนหัวให้พี่สื่อลูกอื่นไปเลยใช่ไหครับนอกจากพี่กลับแล้วความดียังมียังมีวิธีนึ่งคือเราบอกเจ้าผ้าได้นะครับเราบอกว่าโยตอนช้าเนี่ยผ้าก็จะไปบินฉับบานมาฉันตาปกติได้ถ้าเจา้าผ้าความรุนแเข้ไม่มว่าอะไรนี่ก็ได้ครับก็ามรุนแงนี่ก็ได้ เรือมีอีกทีหนึ่งท่านจะบอกไหมครับถ้าบอกว่าย่อตมาไม่รับภัฒนาหานะอัตมาจะรับแต่พิษสาหานี่ก็ได้นะเป็นการเพื่อนนะเนนพื่อนชะกฎชนะข้อก่อนนี่ก็ได้เพืเ่อนลรัมปราชนะนี่ก็ได้มักสองข้อเลยนะครับนีเราบอกเขาี่าหนี่ยตมาไม่รับภัาหานี่รับพิษสาหานเกลนจม่งหน้าดูแล้วมาตางกันยังไงถ้าขาแล้วก็อธิบายาั่และนเกลื่อนขาขอาใช่ไม ก็จีบหมายความแล้วก็หาแต่ที่หางงเลยวิีเบื่อเลยครเข้าเลยกวนจังวิธีเพื่องนะยเราจะเบื่ออย่างนี้นะครับใช้ได้เลยนี่นะข้าอาณาบัตรนะครับที่สุดไม่ต้องอาณบัเรเ่อะ มีความสําคัญในอาหารที่ไม่ใช่ ป, ปรำปรักปุชนะว่าไม่ใช่ ป, ปรำปรักปุชนะอันนี้ก็ไม่เป็นในระแง่ฉั้ได้ฉันในเวลาที่ควรฉันได้คือในสมัยอาผา่า ท, ท้าวธรรมพีวรวชุ่นในสองนะแล้วค้าวอะไรนะ ท, ท้าวธรรมพีวพรวัฒสวรรค์นะครับแน่น่าด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงอนนันดัสองไม่มีปัญหานและฉันได้หมดเลยก็จะออกที่ออะไรยังไงแน่น้าหมดแล้วในช่วงนี้บสองเนี่ย คณะพวกกำลังประพกติไม่เป็นเนี่มต้องบันในข้อนี้นะครับวิกลับก่อนจึงฉันนี่เนี่ยก็คืกลับย่อให้พิสมุติไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมผมแก่แนะผสมกันก่อนจึงฉันเลยแปะว่าฉันนี่มันเปนหนพัดที่ลคนเป็นอันเดียวกันนะครับอฉันนี่มั น, นเป็นหน้าพัดที่ละคนเป็นอันเดียวกันมาพ่ออย่างไรหมาพาอว่าชาวบ้านนะครับเขาเนี่ยมารอหลายเจ้าใช่ั้ม มีเจ้าแรกเจ้าสองเจ้าสาแต่เข้ามาถวายเข้ามาเทูงในบาลงหมดเลยนะครับแล้วผสมกลมไปไม่รู้ของใครไมของใครนะไม่รู้ว่ามีต้องน้ําต้องเนื้ออะไรเทลงในบาลงหมดเลยนะครับมันแยกไม่ได้ว่าอันไหนของเจ้าหลังเจ้าที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับอันนี้ถือว่าอหาที่มันประสมกันแล้วนะโดี๋ยวเช้ามากก็ไปเทผสมเองใช่ไหมครับนี่เราก็เฉยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันยังไม่ผสมกันลองลองรู้ว่าอันไหนของเจ้าไหนใช่ไหม เรก็ต้ว่าเจ้าแรกก่อนถึอไม่ว่าเจ้าแรกอยู่ข้างล่างสรือเ้างบนล้วนเข้าไปนะครับยิ่ออกมาแงว่าเจ้าแรกก่อนซ่อมเม็ดหนึ่งก็ยังดีนะหนึ่งการแล้วค่อยแงไปตามลำดับนะแต่ถ้ารู้อยู่ว่าเนี่ยมันมีฐานตามลำดับใช้ไหมเราไม่ยอแข่งว่าเจ้าแรกนะมันแข่งว่าเจ้าหลันก่อนนีไม่ได้นะรอันนี้นะแต่นําบอกว่าถ้าดว่าแกงหน้านมนมแล้วคนเป็นหมกใช่ไหอันนั้นก็มันจะเป็นต้องต้องล้แล้วมัต้องเปิดปากแล้วจงกอก เออถึงเวลาคนไปแล้วนะครับเออถึงเวลาคนไปแล้วนะอะไรมันก็อยากข้าข้อนี้เลยครับฉันนีมันนั่พันที่รับคนไปอันเดียวกันครับอ่าทการจำนวสองสามแห่งห่งอันเดียวกันก่อนจึงฉนะครับหมายว่าอันนี้โยมเขามันะสมเหรอเรามาผสมเองเลยอาสามจ้าสิ่งไแล้วก็มารับคนไหมดแลไม่รู้ใครนของใครเนี่ยถ้ามาทาเองถ้าอันนี้ อันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่การที่สู่ฉันตายลำนิมนต์นะครับก็เจ้าหนึ่งเจ้าของเจ้าสาวตายฉันเป็นตายลำนะฉันในที่ใดที่หนึ่งซึ่งชาวบ้านทั้งหมดหรวอหมู่คณะนิมนต์ให้ฉันนะครับชาวบ้านทั้งหมดเลยลุ่มคณะขโมดนิมนต์ให้ฉันนะไล่ไปฉันของเจ้าอะไรก่อนก็ได้เพอกะเขาทำหมู่บ้านทนิมนต์เราใช่ไหมครับอืมปัญหา ชายยมนิมนตองชื่อโภชนะที่สู่กล่าวว่าเราจะนับพิสาหารดีเด็กเราบอกนี้นะดังนี้แล้วจึงจิงฉันนะมันก็ได้ยว่ราจะมาจรับแต่พิสาหานเะรื่องฉันี้ที่ยมถวายประจําเป็นต้นงนนะครับเพื่อฉันนี้จะแยกพันสลัดกับพันนั่เหมือนเดิมนะั่นนั่นก็ได้ไม่ต้องอธรรมนะครับฉันของทุกชิ้นเป็นโภชนะนะอันนี้จำไว้เลยนะครับ คณะพ่อปรัมประาพ่อต้องบัเกีกับเราฉันโพชนะห้านะถ้าเราไม่ได้ฉันโพชนะห้ า, งงาก็ไม่เป็นไรนะครับซึไปถึงงานแ้วมันเด้งไม่ได้แก้งไม่ได้ไม่รวิธีไหนนะก็เรียนในวิธีไม่ฉันโพชนะห้าฉันที่เดือดก็ไม่เป็นไรแรกพิสูจน์บ้าเป็นต้นไม่ต้องอาศบัติครับสิวันนี้มีองศาเหล่านี้คือหนึ่งเป็นปรัมปราพ่นะรับสองไม่มีครางที่จะฉันได้ ไนะม่ใช่สมัยที่ฉันได้นะครับสามคืนกินมัอก็องศาลก็ต้องเอาบันแบไปกินในสิทธามแนี้นะครับจะเพึ่มหน่อยนึงรือเก็ดีนะนี่ดีมั้ยมันมีวิธีแนีนะ้ถ้าเราไปเจอาการนี้นะตอนที่โยงจะมานิ ม, มนต์ในว่างนะแกก็ใช้คำพูดถูกช่นหมครัอันนี้ียงไปถึงคณะโพธิ์นะแกก็นิ ม, มนต์ไปฉันเพนเฉยไม่รู้ว่าพาาัฒนาใช่ แต่ตอนถวายคนเราไปถึงบ้านระเขาจะถวายนะครับข้าหนาา้าออกชื่อเขถถวายสังฆานจะมัาพัด ต, ตามนี้สัปวันวิมาลานี้ทัวงตอนนั้นเนี่ยทำไงดีตอนนั้นถือว่าม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องเอาคำแรกที่ต้องพูดถูกต้องนะครับคุณนุ่บอกว่าเราต้องเอาคำแรกเป็นคาหลังก็ได้นะที่เขาพูดถูกนะครับเราตสาใจคาตร ง, งนรั้นเลยนะถือว่าใช้ได้นะยัครับกัครับ ก็ทำไมเนี่ยเราสืบมาแล้วก็เหมือนกับทิ่เธอว่เขาบกว่านิมนต์ฉับเพลง์ด้วยเรบอกชื่อรัดอันนั้ไม่เป็นไรนะก็เหมือนกับรับอกทีตาหายก็ได้แต่เาไปงานข้าจอบพานอีกทีหนึ่งก็ไม่ปไรวก็บอาควาแน่ที่เขาพูว่าหันนิมนต์ฉับเพลี์เชิว่าฉับเพลย์คำว่าฉับเพลย์ด้วยสืบมาพูดดี เมือที่พักเท่าไหี่ครับออดีนะครับแต่แม่น่ได้บอกคุณอย่าพูดมันสวยหนูนี่มันแสงะคว่ำาแต่ยัได้เพื่อนี่ถุนะครับเข้าใจแตจวัน้เก็ต้องแค่ครับนี่น้เมเบิกคบองสายว่าเป็นไปยียสีขาแบบ น, นี้นะครับสมุดแท็าเป็นต้นมนเหมือนกับกระถมกับสินสีขาบบนั่นเองคือเท่าไหร่ครับ ซุมแนกานกระทกระดานชระทกระถินครับกรถิ่นเกลือเจียวงกินสิวันนะอ๋อองสองครับกายจิตกายวาจากายวาจาจิตนะครับจอมปฐกระถิ่นเนี่ที่เกลือเจียวเกินสิบวันมันมีกายวาจากายอะไรเนี่ย การและวางจาพ่อแม่ยอมโครงการอิทธาหรือว่าวิกต์ด้วยกายหรือวางจามีควาเปนเข้อนึ้นนะไอจรีก็คือจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเกิดสิ่งบางอยก็ต้องมาเท่านั้นใช่ไหมครับถ้ามันจริงก็รู้ถ้าไม่มันจริงก็ไม่รู้นะไองทีงถ้าปฐมปัญญก็นึกถึงเรื่องการวาจานี่นะไม่ถึงเหตุผลนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นการวาจายัางดต่องนะ การกันแต่งสีนคำวันนี้เป็นกิริยากิริยาเท่านั้นคือไปกิริยาเล่ากิริยาต้องอ า, าบัติเพราะการทําและไม่ทําแหลกนะครัต้องแบบเพราะทำอะไรนะครับทําการฉช้ประลํมประลาโคชิ น, ชนาถึงแล้วต้องแบบเพราะไม่ทําไม่ทําอะไรไม่ทำการวิกาลนะครบถ้าเราไม่กลาลเสียก็มันเป็นแหลใช่ไหมอันนี้ไม่ยอมกลับนะไปฉันก็ไม่มี ก, กลับก็เลยต้องมาในสีค่คำวันนี้ จบการอธิบายประลัมประละโคนชนะสหบทจบนะครับคราบนี้ครับ